แรกว่าวันนี้สบายนะว่าวันนี้สบายนะวันนี้เริ่มไม่ๆ ระหันกิเลสทำลายตัดกิเลสตัดๆเรื่องสติกับสมาธิต้องเรียน 2 อันนี้เยอะๆหน่อย สมาธิคือความๆนั้นรู้สึกไงจิตใจตั้ง ยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจท่าน ใจไหลเข้าไปอยู่ในมือเกิดไหลเข้าไปอยู่ที่สงบ ทั้งหลายอาการของๆๆนะเหมือนซ้าๆ ใครเคยสังเกตไปๆเลยหัดสังเกตจิตใจของเราอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูด ลองเคยทําดูๆลืมลงพอกซะเนี่ยรู้สึกมั้ยใจเรารวมๆ อย่าดึงนะอย่าออกแรงดึงนะถ้าเราเห็นไหลไปแล้วเรา จะจิตนิ่งๆอยู่ที่ท้องเข้า รู้ใครรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือน มันไม่เคลื่อนลอยแต่จิตใจของเราชักเคลื่อนลอยรู้สึกมั้ย หลายคนเข้าใจว่าถ้ารู้รูปนามแล้วก็ถ้ามีอารมณ์ ใช้บัญญัติก็ๆไปทําสมถะได้โดยใช้อารมณ์บัญญัติ ลักษณะกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยสักแต่ว่าเคลื่อนไหวสักแต่ว่า มีสตินะสมมว่าเราใจลอยไปเรามีสติระลึกได้ว่าๆดู มาเรียนที่หลวงพ่อไม่ใช่เรียนปริญญานะหลายคนไปคุย <c oughs> แต่สภาวะในตำราจะหยาบๆนะหยาบๆอย่างโทสะเนี่ยแยกได้ไม่กี่อย่างพวก เนี่ยน่ะหัด 2 อันเนี้ยนะหัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปเรารู้ใจเราไป วันนึงวันนึงเก็บไปได้นิดๆหน่อยๆนะ เนี่ยจิตมันปรุงแต่งเพราะมันมีความรู้ความฉลาดนะ วิธีปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือมันปรุงขึ้นมารวบปรุงการปรุงเช่นทํายังไงใจ ขันธ์มีหน้าที่ปรุงแต่งเพราะขันธ์เป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งนะหน้าที่ ให้รู้ขันตามที่เขาเป็นรู้ขันตามที่เขาเป็นเช่นเรานั่งๆอยู่ใจ ตรงที่ลงมือประคับประคองไม่เช่นร่างกายหายใจเข้าหายใจ แต่ๆเหมือนไปแต่งขึ้นมาใจมันไม่เชื่อหรอกนะว่าเนี่ย ในเราฉันนั่งเฉยๆอ่ะสิแกถึงเมื่อยถ้าฉันขยับเมื่อไหร่แกก็หาย อันง่ายนะง่ายพระองค์ก็บอกภาษาอีสานง่ายแท้น้อง่ายแท้น้ออย่างงี้นะล่ะต้อง คิดแล้วห้ามขยันนะคิดแล้วขยันๆนะแค่ตาเรามองเห็นรูปไป บางคนจะเลือกแต่ของอกุศลนะนึกว่าจะภาวนา ไม่ต้องกำชาติจริงๆง่ายนะง่ายมากนะปล่อยให้ <นะ. S 1> นี่ก็แสดงไตรลักษณ์ให้ไปคุยกับเพื่อนนะได้แล้วนะของง่ายๆแค่นี้เราจะได้เรียนรู้ความจริงของมันหน้าเพื่อน ทำงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ในอันใด พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเดินจงกรมเนี่ยต้องยกเท้ากี่ หลวงพ่อบอกให้อย่างนึงนะบอกซื่อๆบอกโง่ๆ สติเกิดไปเกิดมาเลยชัดไม่เกิดเลยฟุ้ง มันรูปภาพบักร้องเพลงเป็นมั้ยร้องให้ฟังสักเพลงนึงให้ร้องเพลง ทางที่ต้องเดินคนเดียวทางเฉพาะตัวแปลได้หลายนัยยะ คนคนนี้เค้าควรจะภาวนากลางคืนเราก็บอกเนี่ยเราไปทําลายโอกาสของเค้าเค้าแล้วใช่มั้ย บางคนกินทุกมื้อดีบางคนพอโดดสะบ้างดี นะมันก็มาทันๆๆนะจับบีบแกะสอน คำว่าผอมมากก็คือเกิดสติจะสติบ่อยนะบางคนอดนอน ฉะนั้นนอนไม่เอานะยกเว้นไว้ข้อหนึ่งเถอะเพราะว่า แต่หลวงพ่อยืนยันเลยคืนสุด แต่ในกายคตาสติสูตรเนื้อหามันเป็นอันเดียว นิสสลุด้วยการปฏิบัติเอานิสสติบรรลุอตโนมัติแล้วนี้ท่าน เรื่องปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกของพวกเรา ในขณะนั้นปฏิบัติไม่ง่ายง่ายๆให้ แต่อุทวนฟังไปนะพอสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาจะรู้แล้วง่าย ถ้าไม่ทำอย่างอื่นไม่เป็นรู้ตัวไม่เป็นเพ่งเอามันทําได้แค่นั้น เบอร์ 1, 1 เบอร์ 21 อ่ะ เป็นคนจริงๆแล้วแต่เดิมเราจะรู้สึกแวบแวบๆไปเลย ให้ให้คอยรู้ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะ แต่ถ้าสนุกการศึกษาธรรมะนะสนุกมากเลยมีความนุ่มๆโอ้สบาย นะจิตมีสมาธิก็มีความสุขจิตตั้งมั่นน่ะผิดฟังค่อยๆเรียนนะ เราจะมองไม่เห็นค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็อ่ะมันตั้งค่อยๆหัดสังเกตไป บางคนจะให้หลวงพ่ออธิบายว่าเป็นยังสนุกนะภาวนา 7 ขวบปี นะเรื่องสมาธิก็เล่นมานานแต่ไม่เกิดปัญญาเห็น 23 กุมภาพันธ์ 25 หมายจําแม่นนะเออขอแต่ง 23 25 หลวงปู่ดุลไม่เคยบอกหลวงพ่อนะได้โปรดดูเวทนาดูแล้วจะดี ผมสนุกน่าดูอะไรทำไมจิตเราแต่ละวันไม่เหมือน จิตใจก็ไฟจดจ่อกับการรู้การดูเอาพระไตรปิฎก อ่านทางดูไปบางทีก็เห็นตรงมันๆภาษาอ่าถึงเวลาวันนะไปเที่ยววัดไหน นี่เรียกว่าวิมังสานะเค้าเคลียร์อยู่ไม่ไปไหนหรอกถ้าใครนะ โอ้เหนื่อยยากยากยิ่งกว่าเข็นควายขึ้นภูนะควายมันสู้นะมีนะใครๆก็ยกย่องภาวนาดี อัศจริยะในรอบหลายร้อยปีมาเกิดแล้วกูพลาดจ้ะเอกๆโอ้ตรงๆ เดี๋ยวนี้เลยต้องค่อยๆลดหย่อนหน่อยต้องอ้ำๆคำคลั้นหน่อยคนนิ่งแล้วรู้สึกมั้ยใจค่อยๆ เดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ไล่จี้เท่าไหร่คนเยอะจี้ไม่ไหวนิชัยดีแล้วแล้วอีก ไม่ต้องไปดึงคืนนะรู้สึกมั้ยตอนนี้กําลังบังคับตัวเองละข่ม 21 ได้อีหนูผู้หญิงเนี่ยหันไปหัวเราะเค้าอ่ะลืมตัวเองอ่ะรู้สึกเปล่านะย้อนผู้ หัดดูสภาวะไปเมื่อกี้หนีไปคิดเบอร์อย 21 อย่าคิดมากคิดมากยากนานนะลง แล้วก็น้อยกว่าเมื่อก็ 3-4 มันรู้ผู้ชาญนี่เถอะครับคือรู้สึกมันเหมือนครับพระอาจารย์แล้วเวลาเกิดเวทนาเออแล้วอืมครับไม่ครับฝึกให้เห็นเลยของมัน ละตัวกูเก่งกูเก่งช่วงนี้ดีชมตัวเองด้วยนะไม่มีใครชมก็ ถ้าไม่ขยันดูแล้วมันเสื่อมเนี่ยใช้ไม่ได้อินพุตเนี่ยต้องโอเคเวลา เน้นสภาวะหน้าที่หลักๆนะพอภาวนาไปช่วงนี้มี ตรงที่เพ่งนี่สุดโตจริงๆคันคนจะเชิญอ่ะสั้นๆหวานพูด เราเวลาคุยก็เสียอยู่แล้วเจ้าค่ะๆเวลาคุยก็เสียค่ะกลัวหลวงพ่อตัดตัดตัดๆมันค่ะไม่ ค่ะว่าอันนั้นมันเป็นเพราะว่าเรา ว่าถ้ารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความคิดอยู่ด้วยเนี่ยดับดับดับดับ ไม่มันก็ค่ะแต่ว่าจะเห็นว่ามีความคิดเข้ามาเรื่อยๆๆแล้วก็ว่างอย่างงั้นเนี่ยตั้งคิดมั้ยๆถ้าตั้ง ก็ค่ะไม่ได้จงใจถ้าจงนะความอยากดูกําลังวง แต่ว่าอะไรบงการใจว่าเจ้าค่ะบงการใจเจ้าค่ะโยมเค้าหวานวันนี้จิตใช้ได้ไม่หลับเดี๋ยวเสียหมดเจ้าค่ะเออ ขอถามนิดนึงด้วยค่ะคือโยมเพื่อนโยมคน กรรมฐานเหมือนกันนะกรรมฐานมีเยอะแยะเราก็หาบ้านที่สบายนะ เพราะฉะนั้นใจของเราจะไม่ถูกบังคับถ้าเรา พุทโธพุทโธใจชักซึมๆนะรู้ว่าซึมพุทโธแล้วใจเป็นยัง อ่าอย่างนี้ก็ได้เออหาครับอยากพูดแล้วรู้สึกมั้ยมีครับเออเบาลง เพราะตัณหาเนี่ยเป็นเจ้านายที่ฉลาดให้คุณให้โทษได้ถ้า ตัณหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดเอ้าไปดูหนังเราไปดูนะ ให้เสร็จเนื้อมาชิดนึงแล้วก็สั่งงานใหม่ทันทีเลย อ่าคือพยายามตามรู้นะครับหลวงพ่อแต่เราเป็นอย่างนะกรรมฐานวัดหลวงพ่อ มาส่งนะนะก็ไม่เชื่อนะไม่ๆอ่ะครับพี่พ่อนะจะทํายังไงรู้ ต่อมาก็เห็นความพอใจดับไปเราก็เห็นความสุขอยู่ เพราะปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าสภาวะทั้ง เห็นสภาวะที่ยากที่ละเอียดสภาวะภายในภายนอกนะสภาวะที่ จิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหนเราก็เห็นโลกๆ ในใจเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้น เช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นเลยนั่นก็ปรุงแต่งๆสุดๆเลยให้รู้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอน ข้างกามสุขัลลิกานิโยคตามกิเลสไปข้างอัตตกิเลมัฏฐานนิโยค ทำไมเรารู้ทุกแจ่มแจ้งนะเรารู้เลย เพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ้งคือรู้ว่าขันธ์ 5 อริยมรรคก็คือการที่รู้ทุกข์หรือรู้กาย มันหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้ฉะนั้นการรู้ทุกข์ใน คือเหมือนกับว่าจิตมันจะวิ่งไปยึดอะไรสักอย่างวันที่ โยมไม่นอนเออๆเลยเออแล้วคุยๆ รู้สึกไหมไม่สบายหรอกรู้สึกตัวแต่ตึงเกินไปแม้ เราหลายคนเช่นหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะเนี่ยพยายามร้าวความ ตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบมั้ยเนี่ยจิตใจเบิกบานขึ้นมาดูออกมั้ยรู้ลง เอาโยมเบอร์ 5 มากับใครล่ะแล้วกันเลยคุณเบอร์ 30 ย่อมนึกออกใช่มั้ยไปดัดมันดัดแปลงมันปิดเชนให้นิ่งเอ่อให้รู้ อ้าวคุณนั่งเออใจต้องแห่งนี้นะรู้สึกมั้ย อย่างนี้ดีนะเอออย่างนี้พอพอรู้เรื่องละรู้สึกมั้ยจิต เนี่ยอย่างนี้ถึงจะดีนะจําตรงนี้ได้ยัง เพียงใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาท่านยอมรับ